เรื่องทางห้าสายสลายทุกตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเรามาว่ากันต่อไปในเรื่อง หนทางห้าสายเพื่อสลายความทุกข์จากจิตใจตามแนวทางของพระพุทธเจ้าซึ่งเราได้พูดกันค้างไว้ตั้งแต่ตอนเช้าๆช้าซึ่งมันก็ยังไม่จบลงไปได้เมื่อตอนเช้าเราได้พูดพูดกันมาแล้วเราก็พอจะสลบแต่เวลามันก็หมดไปก่อน พอจะสลบลงได้สันส้นๆว่าหนทางที่จะทำให้ประจักแจ้งซึ่งศีลธรรมในทางประพุทธศาธาทําทำให้ใจิตใจพ้นไปเสียจากทุกมีอยู่ทั้งห้าทางซึ่งอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นที่ได้สั่งสมได้อบรมอปนิสัยใจคอกันมาอย่างไร บางคนนั้นเพียงแต่ฟังเฉยๆในสมัยพุทธกาลส่วนมากนะส่วนมากใช่ด้วยฟังแล้วก็ปลายจักแจ้งอริยสัจธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เปิดเผย อ, อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะอาวิชชาความไม่รู้มันเป็นเครื่องกัน้นตันหาความทะเยอทยานอยากนี่มันเป็นเครื่องโผล่ผ่นจิตใจเอาไว้ จึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพอันนั้นแต่เมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเหล่าพระอริยสงแสดงทำให้ฟังท่านเหล่านั้นเกาะวิ่งตามกระแสแห่งธรรมถือจิตะมันหมุนตามงไยกว่าธรรมานุสาลีก็เลยทำให้เข้าใจจิตใจก็หลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัฐยี่มีจำนวนมากต่อมาบางท่านหลุดพ้นไปได้โดยการแสดงทำ คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เราเรียนมาอย่างละเอียดพิสดานนั้นได้เวลาที่จะต้องแสดงให้คนอื่นฟังฟังก็แสดงด้วยความเคารพตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีๆมาแต่ก่อนยังไม่เข้าใจบัดนี้ตั้งอกตั้งใจแสดงพูดไปก็มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวจนลืมปวดแข้งปวดค้าจนลืมอดีลืมอนาคต ในที่สดุดสิ่งที่ได้ศึกษาได้เราเรียนมาซึ่งยังไม่ชัดเจนจแจมแจ้งบัดนี้มันกระจายแจ้งออกมามันหลังมันไหลออกมาไม่รู้จะจบจากสิ่งนั่งแสดงทำสองสามชั่วโมงไม่รู้จัะปวดแข่งปวดขาหนักเหน่อยเมื่อยมึนในวิธีหนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สามก็คือสาธยายสวดมนต์แล้วแล้วเราเหล่าทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ สะดุดคำพูดที่สวดนั้นในที่สดคำพูดนั้นก็กลายมาเป็นหลักแห่งความคิดเป็นต้นขั้วเป็นประเด็นแลวก็ะแทงตลอดในข้อขอัจข้อทำเ่านั้นอันที่สี่ฟังก็ฟังมาแล้วพูดในคนอื่นก็พูดในคนอื่นฟังมาแล้วสวดก็สวดมาแล้วสาธยายมาแล้วแต่ก็ยังไม่ประจักษ์ แต่บัดนี้นั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดเป็นขบวนการเป็นโยนิโมสมนัิการในที่สุดก็เสืบค้นลงจนถึงต้นขขาเสิบสาวจนถึงเหตุผลตลอดสายแยกแยกออกมาวิเคราะห์วิจัยละอียดทียึบลงไปเป็นขบวนการแบบนักวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตในที่สุดมันก็ประจักษ์แจ้ง ทางสุดท้ายสายที่ห้าสายสุดท้ายไม่มีทางเลือกฟังมาก็เหนื่อยจะฟังคิดก็จะปวดหัวตายแล้วเท่ในคนอื่นฟังก่อจนเหนื่อย <c oughs> จนเกือบไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองสวนมนตาทยายก็จนจะหลอดลมอักเสบมาแล้วแต่ก็ยังไม่ประจักษ์แกลงอะไร ไม่มีทางเลือกก็เลยมาเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตใจด้วยสมถะคือทำใจให้สงบจากอารมณ์ทั้งปวงอย่างเต็มที่แล้วเอาจิตที่สงบปลอดโปร่งโล่งทงนั้นมาพิจารณาข้ออัดขรรมพิจารณาสภาวะรมก็หลุดพ้นไปได้นี่เป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอน ที่พูดเอาไว้ตัดเอาไว้สังยุตตานิกายขออภัยอังคุตตรนิกายอังปัญจการนิบาตวิมุตติโสตปัญนาทที่หนึ่งแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่ยี่สิบหกหน้ายี่สิบสามหาง่ายนะให้ยืนในวัดมันก็ไปเปิดได้สองสองสองหกสอ ง, ส, อ ง, ส, องสามหมายเลขทับกันไปอย่างนี้ ก็ได้สรุปได้เพียงเท่านี้ว่าฟังพูดคิดห้องบนสาทยายจเจริญสมาธิภาวนาเรื่องคิดนี่ก็คิดให้มันเป็นเรียกวโยนิโสมนสิการซึ่งวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดในเรื่องนั้นเราตั้งใจจะพูดในเรื่องทำสมาธิภาวนา อบรมสมถะให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญวิปัสนาแล้วก็ขอบอกให้ทราบไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทางมันมีทางเดียวนะไม่ใช่ทางมันมีทางเดียวแม้แต่การเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องทำอย่างเดียวกันวิธีทางเดียวกันแต่คนต่างอาจจะถนัดคนละทางกันมันกเหมือนกับว่า การกินข้าวของคนแต่ละชาติแต่ละภาษานี่ยนะถ้าพวกฝรั่งมั่งข้าอืมถ้าเรานะี่ยก็ต้องกินอีกแบบหนึ่งอาหารคนละแบบกันใช้ซ้อนช่อมช้อนซ่อมใช้มีดมกินเนื้อกินนมกินเนยกินไข่กินแฮมส่วนพี่น้องชาวจีนนั่นก็ไม่เหมือนกับพี่น้องชาวฝรั่งกินตะเกียบ ห่อห่อห่อหอ่แต่เกียบคีบสดส่วนพี่น้องคนไทยเรามันก็กินด้วยช้อนอข้าวเจ้าส่วนพี่น้องคนไทยอีสานคนลาวสบายใหญ่อีก <c oughs> ไม่ต้องใช้ช้อนซ่อมไม่ต้องใช้ตะเกียบไม่ต้องใช้ซ่อมมือนะั่นแหละปั้นจิ้มรสข้าวเหนียวมันก็ผิดกันโดยวิธีกินแต่มันจะเหมือนกันโดยวิธีอิ่ม เมื่ออิ่มท้องแล้วมันก็หมดปัญหาหายหิวแสบสบายมีแห้ือิ่มแล้ว <c oughs> นั่งการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันค้นทางห้าสายเนี่ยมันอาจจะเหมาะเป็นบางคนสําหรับแต่ละคนแต่ละสายสายสุดท้ายจะมาที่ภาวนาเป็นสายที่ไม่มีทางเลือกมันไปไม่ไหวก็เลยมาเอาทางนี้เอามันหมดเลยทั้งห้าสายด้วย ฟังโว่าอาจารย์เทศก็ฟังเทสในคนอื่นฟังก็เ hey. ทสสวดมนสาตยายเช้าค่ำก็สวดคิดก็คิดจะตลอดเวลาในเรื่องอัดเรื่องทำเจริญสมาธิภาวนาก็ททำมันไม่เลิกไม่ละตายเลยแล้วไปเพราะว่าเรามันมีบุญบารามีน้อยสั่งสมมาน้อยอย่างไรก็ตาม มันก็มีทางเลือกให้เราจะได้ <c oughs> การเจริญสมาธิภาวนาทั้งสมถะทั้งวิปัสนานี้ก็ยังไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าบางคนเหมาะมากที่จะเจริญวิปัสนาโดยไม่ต้องสนใจสมถะแล้วสมถะตามหลังก็ได้วิปัสนางบุพังกามังสมถังภาเวติวิปัสนางวัปปะกามังสมถังภาวายโตมขโคสัญชายติ ขอใภ้ถ้าจะพูดภาษาบาลีก็ลงหลังลงหลังหน่อย <c oughs> หมายว่าจเจริญวิปั ส, สนาเป็นเบื้องต้นสมถะที่หลังในบางคนมันง่ายอย่างนี้นะคือเขามีสติเป็นพื้นฐานยืนลงเขามีสติธรรมชาติอยู่มากมีสมาธิธรรมชาติสมาธิธรรมชาติเราก็มีมากไม่จะเป็นต้องเจริญสมาธิอะไรมาก สมาธิธรรมาชาตินี่สำคัญบางคนมีมากบางคนมีน้อยมากให้สังเกตดูเด็กๆบางคนนะค่ะเขาเก่งเล่นกีฬาทอยกองหยอดลุ้มมันเก่งกว่าเพื่อนโดยไม่ต้องฝึกบางคนยิงปืนแม่นแม่นหายิงนกยิงปลาในป่าในเขายกขึ้นยิงทีไรไมันถูกทุกทีแต่บางคนเล็งจนตาเหลยยิงยังไงก็ไม่ถูกยกขึ้น พลาใส่ต้นไม้เล่งจนปากเบี้ยวจนตาเหลวมันยิงไม่ถูกเป้าไม่ถูกนกไม่ถูกอะไรเลยนั่นคือสมาธิธรรมชาติมีน้อยส่วนผู้ที่ยิงถูกยิงแม่นทําอะไรได้เก่งกว่าเพื่อนมันเป็นสมาธิธรรมชาติที่นี่พวกมีสมาธิธรรมชาติเนี่ยเราเลี้ยงสติอยู่ได้ก็มาเจริญวิปัสสนาทันทีโดยที่จะไปนั่งสมาธิภาวนาอะไรหมา่างนั่งก็นั่งพิจารา นั่งพิจารณาอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดรู้จักมันจนเห็นทุกเหตุได้เกิดทุกความดับทุกอันมันมีอยู่ในกายในเวทนาในจิตในความคิดต่างๆเหล่านั้นคิดทั้งวันก็ไม่วุ่นวายท่านผู้นี้คิดทั้งวันก็สงบทั้งวันเห็นกระแสแห่งความคิดไหลเรื่อยเอื่อยไปเหมือนกับหูได้ยินเสียงเหมือนกับตาได้เห็นรูปธรรมดา ไม่มีความรักมันมีความชังในนี้มันก็กลายเป็นความสงบที่ที่ละเอียดยิ่งกว่าสงบในสมาธิอยู่ในโรงหนังอยู่ในโรงละครก็สงบอย่างเนี้อ่ะสมาธิธรรมชาติอย่างเรื่องของกระสับนโปเลียนอย่างเรื่องของมหาธรรมคารทีพวกมีสมาธิธรรมชาติว่วันนโปเลียนนั่นแม้จะอยู่ในสนามลบเสียงม้าเสียง ท่างอะไรต่างๆทํากลางสนามลบท้าอยากจะสงบก็สงบได้ถ้าอยา ก, กหลับก็หลับได้มีสติมีสมองเหมือนกับลิ้นชักต้องการจะคิดอะไรก็คิดได้ต้องการจะจุดก็จุดได้เนนะโปรเรียนนะนั่นคือสมาธิธรรมชาติโดยไม่ต้องฝึกถ้าเอาจิตชนิดนั้นมาพิจารณาในเรื่องอนิจจังทุกข์ั้งอนัตตาในเรื่องความทุกข์ความดับทุกข์ในเรื่องขันห้า ในเรื่องตนห้าวปาธานพิจารณาให้เห็นปล่อยวางเป็นพระอหรหันต์ไปแล้วนะโปเลียนแต่ยังเคเป็นนักรบที่แข่งกา้าเค้นฆ่ากันไปเอาสมาธิชดิตนั้นไปใช้เป็นขี้ข่าของกิเลสครับต่อไปอย่าลืมนะบางคนมีลกูกมีเมียอยู่ในครอบในครัวมสมาธิมากกว่าพระที่ฝึกมาเป็นสิบสิบปีแต่สมาธินั้น ถ้าใช้ไม่ทุกมันไม่ไปทําลายกิเลสมันเป็นเครื่องมือของกิเลสฟองไว้ให้ดินี่ผู้ที่มีสมาธิธรรมชาติมาพิจารณาเรื่องตรลักษณเรื่องความทุกเรื่องความดับทุกเรื่องอุปาทานที่ยึดมันถือมันให้เกิดทุกดูให้ดีๆจนเกิดการปล่อยวางแล้วเขาจะง อ, อกกรตามมาสมถะก็เกิดขึ้นเองเบื้องหลัาง <c oughs> จึงเรียกว่าสมถัง วิปัสนางบุพังขมังสมาธงพาเวติจเจริวิปัสนาเป็นเบื้องต้นสมถะตามหลังที่นี่ถ้าคนมันไม่มีสมาธิโดยธรรมชาติเมื่อเรามาฝึกให้จิตมันเกิดสมาธิขึ้นมานี่คนมันไม่เหมือนกันอย่างนี้การฝึกให้จิตเกิดสมาธิแล้วจึงมาพิจารณาเรื่องไตร ล, ลักษณ์เรื่องความทุกข์อริยสัจธรรมนี้ ก็ต้องลองทุนเริ่มต้นด้วยงานเจริญสมาถะพระพุทธญาของเรหท่านจึงตรัสว่าสมถังบุพังคขมังอุยปัสนางภาวเวติจเจริญสมถะเป็นเบื้องต้นวิปัสนาตามหลังสมถังบุพังขมังวิปัสนางภาวยโตมัคโคสัญชายติจเจริญวิปัสนาเป็นเบื้องต้นวิปัสนาตามหลังมักเกิดแล้วก็เสพมักนั้น ก็ทำลายอาสวะสัญญอดสิ้นไปนี่หมายก็ว่าบุคคลประเภทนี้ไม่มีสมาธิธรรมชาติมากจะให้มาพิจารณาเรื่องนี้จิจจตใจตืนเลิดเปิดเปิงไปเรื่องโน้นมันวิ่งไปโน้นมันวอกมันนี่มันแวกไปนันไม่พอก็เลยต้องมาฝึกมันให้มันอยู่กับที่ซะก่อนให้บางคนมันเกิดซะก่อน<ม>เพื่อจะมาพิจารณาเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ นี่อย่างนี้ต้องใช้สมถะเป็นเบื้องตน้นวิปัสนาตามหลังสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิธรรมชาติมากต้องฝึกให้มันมีไม่ใช่ว่ามันมีไม่ได้มีได้ทุกคนนะนะใช้เวลาใช้เวลาบางคนอาจจะนานมากบางคนอาจจะไม่นานเลยต่อมายังมีพิเศษอีกแบบนึง่งไม่่อยจะพูดกันพระพุทธเจ้าของเราท่านบอก ทำไปพร้อมกันเลยสมาธิวิปัสนางยุคคณะทางภาเวติ <c oughs> จเจริญสมถะและวิปัสนาไปพร้อมกันสมาธงวิปัสนางยุคคณะทางภาวยโตมัคโคสัญชายาติจเจริญสมถะวิปัสนาไปพร้อมกันมรรคมันจะเกิดเมืม่อมรรคเกิดแล้วก็เลือกเสพมรรนั้นคําว่ามรรคมรรก็รไปว่าทางทางเลือ ก, กง่ายๆว่าจเจริญไปพร้อมกันทั้งสมถะทั้งภพ ทางวิปัสสนาแล้วทางเลือกมันจะเกิดเองหมายความว่ามันจะโน้มเอียงไปทางไหนมันจะเก่งไปทางไหนก่อนเมื่อมันเก่งง่ายไปทางสงบมันก่อนเลือกไปสู่ทางสมถะสก่อนแล้วค่อยย้อนมาสอบวิปัสสนาถ้ามันง่ายในทางที่มีสติมีสัมปชัญญะรวดเร็วรู้เท่าทันอะไรต่ออะไรเร็วขึ้นความคิดปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางคิดขึ้นมาก็รู้ปล่อยวาง นี่มันง่ายทางรู้ทางสติปัญญาทางวิปัสสนาเก็ะแยกเดินทางสายนี้เลยจิตนั่นแหละมันจะเลือกของมันเองมันง่ายทางนั้นก็ไปทางนั้นจึงบอกว่าหนทางมันจะเกิดมัคโคสัญชาญติมักเกิดมาว่าทางเลือกมันจะเกิดขึ้นแล้วจะเอาอย่างไรลองดูครับบุคคลเช่นนี้ มีสมาธิธรรมชาติพอประมาณมีสติธรรมชาติอยู่พอประมาณไม่น้อยไม่มากก็เลยทำไปพร้อมๆกันอย่างพระสารีบุตรหรือใครต่อใครลหลายๆองค์ในสมัยนี้แก่คิดว่าหลายๆท่านอาจจะเหมาะทั้งสองฝ่ายคือเลือกเดินไปพร้อมกันเลยก็ได้ที่นี่เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือขอบอกให้ง่ายๆเลยว่าอาน า, านาปณสตินั่นแหละ เหมาะที่สุดกับคนทุกเพศทุกวัยทุกจริตทุกอุปนิสัยไม่ว่าท่านผู้นั้นจะมีคาแรคเตอร์ให้อย่างไรก็ตามจะมีฮับิชวลลีมีเทมเพลเมนต์ไปจริตมีอุปนิสัยอย่างไรก็ตามที่มันเหมาะเป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดซิสเต็มระบบที่มาตรฐานเลยก็คืออานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเนี้ย จะดูแบบเป็นสมถะก็ได้ดูลมหายใจควบคุมลมหายใจลงไปจนลมหายใจไม่มีจนนาดึงไปเป็นฌานเป็นอปปนาสุดยอดแห่งสมถะเลยก็ได้หรือจะดูลมหายใจให้เห็นความทุกข์อยู่ในลมหายใจความบีบคั้นอยู่ในลมหายใจความไม่อยู่ในอํานาจของใครในลมหายใจอนิจจังทุกข์อนัตตาอยู่ใน น, นั้น อริยาสต์ัตย์ยินนันสติปัฏฐานสีย่ยในนัน้นอย่างที่พูดเดจา ว, วา่าอานาปานาสติภาวิตาภะโหริกตาจตตารโรสติปัฏฐานาปริปุเรนติเจิญมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเนีย่ยย่อมทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบรูรณ์มันก็เป็นฝ่ายวิปัสนาดูแบบหนึง่งมันเป็นสมถะลมหายใจ ดูลมหายใจอีกแบบหนึ่งมันเป็นวิปัสนาดูไปพร้อมกันเลยก็ยังได้ให้มันเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสนาก็ได้ตั้งสติไว้ดูลมหายใจเนี่ยมีสติอยู่ทุกลมหายใจเหมือนมีไดชาร์จดชาร์จมอตเตอร์ชาร์จมอตเตอร์ชาร์ตเจ อ, อ, ตเตอไว้ในจ้มูกในลมหายใจนั่นแหละเหมือนตัวเราเป็นเครื่องยนต์จะต้องมีไฟชาร์จเพื่อจะหมุนเครื่องยนต์ เบตเตอรี่ไม่ต้องหอบพี่เมันไปชาร์จที่ไหนติดใดชาร์จไว้ในตัวคือมีสติอยู่ทุกลมหายใจหลังจากนั้นแบ่งสติในลมหายใจนั้นไว้สองส่วนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดเกาะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมิกซ์อัพมันอยู่อย่างนั้นคล้าเคลียมันอยู่อย่างนั้น They w i l l mixed up. The mindfulness mix up with b l e e d i n g in and our own way. Fifty percent. a percent a i g f t e percent. After that, fifty percent mix up with the v o r i t i o n and activity or mental formation. ไม่ก็ว่ห้าสิบเปอร์เซนรู้จักลมหายใจข้าวออกทุกเมื่อนี้เป็นสมถะมีพื้นฐานยืนลงเฟิร์มลี่อยู่กับลมหายใจนีห้าสิเปอร์เซนอีกห้าสิบเปอร์เซน์คอยรับรู้รับทราบ knowing being with the mental formation ห้าสิบเปอร์เซนตคอยรู้จักความคิดทุกชนิดที่มันคิดดีคิดชั่วคิดอดีตคิดอนาคต รู้เฉยๆโดยไม่ต้องไปว่าอะไรไปพิจารณาอะไรมันโช่วงนี้กําลังกําลังให้มันเลือกทางเองรู้แต่ละครั้งละครั้งละครั้งละครั้งท่านเรียกว่ายาตะปริญญาฮะกำลังทําปริญญาอยู่ปริญญาตัวแกรกจะไปเปรียบเป็นภาษาทางโลกเรียกว่าปริญญาตรีกําลังทําปริญาตรีด้วยการกําหนดรู้ทุกอย่างทุกอารมณ์รู้เฉยๆภาษาบาลีว่ายัตะประิญญา ถ้าภาษาทางโลกธรรมดาก็เรียกว่าทำปริยาตรีกันไว้ก่อนปริยาของเราก็มีสามเหมือนกันจะเรียกว่าตรีโทเอกก็ได้ปริยาแรกก็คือเพียงกำหนดรู้ปริยาปริญญานี้ทางโลกเขาจะหมายถึงอะไรแต่ในทางธรรมนี่เขาหมายถึงความรู้ที่มันเต็มเต็มในระดับที่มันควรจะเต็ม เรียกว่าฟูนอันเดอร์สแตนดิ้งมีความเข้าใจเต็มเปี่ยมในช่วงนี้เรียกว่ายาตะปริญญาเข้าใจเฉพาะรู้เฉพาะหน้าเนี่ยก่อนกำหนดรู้ด้วยให้เป็นสิ่งอันรู้แล้วกำหนดรู้ขัน้นรู้จั ก, ร, จกรู้จักเฉยๆกำหนดรู้ตามสภาวะลักษณะคือทำความรู้จักจเพาะตัวของสิ่งนั้นโดยตรงอย่างความคิดก็รู้จักว่ามันเป็นความคิดพอ รู้จักว่ามันคิดก็พอเพราะให้ชื่อว่าได้เป็นอนรู้จากสิ่งนั้นแล้วนี่คือเวทนานี่คือสัญญาสังครัรวิญญาณก็เพียงแต่รู้เท่านั้นไม่ได้บอกถามหามันมาจากไหนมันคิดก็รู้ว่ามันคิดเฉยๆเนี่ยกำลังแบ่งกำลังทำปริญญาตรีรูล้ลมหายใจแ ล, ล้วก็มาลว่มมันกำลังคิดมันกำลังเป็นอะไรตรงนี้ภาษาพระภาษาบริวญญาตะปริญญา full knowledge as the know เพี่ยงแต่รู้เท่านั้นตรงนี้เองกอิกมันจะเลือกทางเดินของมันเองมันมีสมาธิมากมันก็จะหยุดทางลูกมันจะสงบลงไปดำดิ่งลงไปทางสงบปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปจางไปมีแต่จะจมลงไปสู่ความสงบเหมือนกับโยนก้อนดินลงไปในน้ําก้อนหินลงไปในน้ําจมลงไปลงไปลงไปลงไปจมไปถึงก้นบ่อมันก็ที่จะตรงนั้น นี่ก็แสดงว่ามันเลือกมาทางสมถะสก่อนออกมาจากนั้นจึงมาพิจารณาให้เป็นวิปัตนาแต่ที่พอรู้ไปรู้ไปรู้ไปมันก็รู้ไม่รู้จากจบจากสิ้นอะไรอะไรมันรู้ไปหมดรู้จนไปถึงเบื้องหลังเบื้องหลังปรากฏการเบื้องหลังแห่งความคิดเบื้องหลังแห่งเวทนาสัญญาสังขารเวญญาณมันเกิดการพิจารณาขึ้นมาในตัวมันตรงนี้เองเรียกว่าตีระนะปริญญา อาซาบาลีขึ้นมาสู่ปริญญาโหกำหนดรู้ด้วยการพิจรารณารู้ขั้นพิจารณาแล้วนะโอ้อันนี้มาจากอันนั้นอันนั้นมาจากอันนี้โอ้ความคิดนี่มาจากอดีตอันนี้มาจากเวทนามาจากฟิลลิ่งมาจากเพอร์เซปชันมาจากคอนเซปชันสัญญาเวทนาวิตกมันกลายมาเป็นแฟกเตอร์ออฟเมนเทนโวลูชันนแอคทิวิตี้อะไรขึ้นมา น, น, นี่นี่มไปอย่างนี้ อย่างนี้นเรียกว่าเริ่มทำปริญญาโทกำหนดรู้ความไม่เที่ยงของมันกำหนดรู้โดยเห็นเป็นค้องไม่เที่ยงโดยค้องเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันพิจารณาของมันเองอย่างนี้ก็เรียกว่า l ูนนอเลสแ e ดอิ i n ิสติเกตติ่งหลังจากนั้นมันก็จะเข้าใจชัดจนจนไม่ยุดติดเกิดอาการปล่อยวางกำหนดรู้จนละ ในปริญญาที่สามปะหานะปริญญาฆ่าทิ้งเสีย <c oughs> รู้จนไม่ยึดมั่นรู้เห็นว่ามันเป็นทุกข์แท้รู้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาจริงไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปควบคุมสิ่งเหล่านี้มีอำนาจเดียวคือควบคุมใจปล่อยวางปล่อยวางอย่างหน้าสะพึงกลัวถ้าไม่ปล่อยไม่วางไม่ได้ มันก็จะเกิดอาการปล่อยอาการวางโดยไม่ปรารถนาแม้แต่จะปล่อยวางฟังถูกหรือไม่เพราะว่าปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางไม่อยากปล่อยไม่อยากวางวางเองมันถ้ายังอยากอยู่มันก็ยากทุกข์ยาอยากกับในจิตในใจตรงนี้ก็ถึงขั้นที่เรียกว่าปะหานะปริญญาปะหานะเนี่ยแปลว่าปล่อยวางข้าทิ้ง a b a n d o n abandon, abandoning abandoning ภาษาฝรั่งเอาไว้เงี่ย Fool knowledge abandoning abandoning abandoning abandoning พูดอยากเหลือเกินมันไม่เหมือนภาษาบ้านเราหรอกนี่ลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเรามีความรู้อยู่ครึ่งต่อครึ่งเสียรู้ลมหายใจครึ่งหนึ่งรู้ความคิดความรู้สึกเสียครึ่งหนึ่งแบ่งกันอย่างนี้ก็เรียกว่าทมสมาธิภาวนาไปพร้อมกันทั้งสมถวิปัสนา สมาธิมีประสายาาุคคานทังภาเวติมันจะเลือกทางมันเองอันนี้ลราให้ฟังอล่รที่นี้เรามา ม, ามาม า, ม า, ามามาตล่มขมาสูวิธีทางที่เราจะทำสมาธซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อจะไปเจริญวิปัสสนาเนี่ย เ, เป็นสิ่งที่น่าเอามาพูดกันขอบอกให้เราใจไว้สะก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นสมาะหรือวิปัสสนา ผู้ที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาคือสติไม่โฟเนตไม่โฟเนตแต่มันจะทําไม่เหมือนกันสมถะใช้สติรวบอารมณ์ไว้อันเดียวเกาะอารมณ์อันเดียวไว้ไม่สายไปเอาอารมณ์ไปกันเพื่อให้จิตติดอยู่กับตรงนั้นให้จิตเป็นอันเดียวกันตรงนั้นจนเป็นจิตเป็นอันเดียวเป็นเอกคตาพูดง่ายๆว่าไม่ได้ใช้กําลังของ สติมากถ้าเป็นไฟก็เป็นเพียงไฟฉายส่องลงไปทางเดียวที่นี่พอมาถึงขั้นวิปัสนาใช้สติมากรับรู้ทุกอารมณ์รับทราบทุกอารมณ์ปล่อยวางทุกอารมณ์เหมือนกับเรดาร์เรดาร์ตั้งจ้องไว้เพื่อจะรู้จักทุกอย่างตามที่มันเป็นตามที่มันเป็นไม่ใช่รู้อยากรู้ให้ตามที่เราอยากให้มันเป็นอันเป็นอะไรมาก็จะรู้จักอันนั้น จึงใช้สติมากกว่ากันถ้าสมถะก็ใช้สติเพียงเพ่งจ้องอันเดียวอย่างเรา ก, กําหนดลมหายใจถ้ากําหนดแบบสมถะก็ดูแต่ลมหายใจถ้าพุโทโธก็พุโทโธโลกเดียวไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนจะคิดฟุ้งซ่านลํคาคาอะไรมาใหม่รับไม่ได่จะรู้จักพุโทโธลูกเดียวถ้าถ้าบริกรร ม, มาพุโทโธนะ ถ้าไม่บริกรรมว่าพูดโธเพียงแต่รู้จักลมหายใจก็รู้จักแต่ลมหายใจข้าวหายใจออกอย่างนั้นจนจิตนั้นมีลมหายใจเป็นที่อยู่เรียกวิาวหารธรรมทำมันเป็นที่อยู่เดเวลิงเดเวลิงภาษาฝลัง่งให้จิตมีเดเวลิงมีที่อยู่มันอยู่ที่ลมหายใจ ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนจะคิดจะห่นจะไาวจะกินจะยูจะทายจะพูดจะคิดอะไรต่างๆช่างห้ว่ามันแต่จิตมันจะออกติดอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าจิตมีที่อยู่มีที่อยู่แล้วหลัง่างนั้นก็มาหักให้จิตที่มันมีที่อยู่เนะปล่อยที่อยู่ของมันวางค่อยๆวางลงนิ่มๆจนมันวางลมหายใจลงได้ไม่ต้องดูลมหายใจแล้วไปไหน ไม่มีแม้แต่กระทั่งลมหายใจฟังให้ดีนะมันมีย ok. ูด็อกพูดดีจะดูลมหายใจดูไปดูไปลมหายใจก็หมดไปนั่นจิตมันวางวางวางางวา ง, วางละเอียดละเอียดละเอียดะเอีย ด, ลยดแล้วก็ไปสู่ความสงบแต่ก็เกิดกลัวตายขึ้นมาเนี่สแสดงว่ามันวางไม่ลงมันก็แบกขึ้นมาหมายว่าโ อ, โอ้ฉันไม่หายใจอย่างนี้เจหินนี้ถ้าทําเป็นวิปัสสนามันก็ดูหลายอัน อะไรเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นเสียงเกิดขึ้นกินรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นรู้หมดแล้วก็ปล่อยมดไม่เอารับรู้รับทรบาบลักษณะของการเจริญสมถะและวิปัสสนามันมีพื้นฐานตรงที่จะต้องใช้สติฝ่ายสมถะใช้สติน้อยเฉพาะอารมณ์เดียวฝ่ายวิปัสสนาใช้สติ ปัญญามากทุกอารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสที่เรียกว่า six sense คือประสาททั้งหกที่เป็น sense object กับตัว six sense and six sense object รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์กับตาหูจมกูกลิ้นกายใจกระทบมันรู้มันทั้งนั้นโนยิง no วิงอยู่อย่างนั้นนี่ฝ่ายวิปตนนาเข้ามาทางนี้เพื่อจะรู้จักสภาวะของสิ่งเหล่านี้ ส่วนฝ่ายสมถะรู้อันเดียวถ้าดูลมก็รู้จักลมอย่างเดียวฟุตทอก็ฟุตทอโลกเดียวเพื่อให้จิตนี่มันสงบซะก่อนแล้วจึงจะมาดูอีกหกอันทีหลังหาผู้เป็นภาษาวิชาการทางพุทธศาสนาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเพ่งเพ่งหรือเรียกว่าฌานนั่นเองภาษาบาลีว่าฌานฌานฌานฌานแปลว่าเพ่งแปลว่าเพ่งคอนเซนเทรชถ้าสมาถะ กับเพ่งเฉพาะ subject meditation only one only subject meditation เรียกว่าอารามณูบนิิชฌาน concentrate through the subject meditation only เ, เทท พ, เเออพ่งลงไปเฉพาะอารามณ์อันเดียวอย่างดูลมหายใจหรือว่าดาูพุโทโธพุโทโธเนี่ยทีนี้พอมาถึงขัน้นวิปัสนา ภาษาทางวิชาการภาษาบาลีเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเข้าไปเพ่งดูลักษณะของสิ่งต่งางๆของขันหา้า the, the Five Group of Existence เหล่านี้เรียกว่า c o n c e n t r a t e to the c o l l e c t e r i s t i c of existence มันก็คนละเพ่งกัน <c ười> คือใช้สติมากกว่ากัน เช่นี้ส่วนสมถะนั้นจะต้องทําโดยแยบคายมากเพราะว่ามันมีพอเริ่มต้นทํามันก็ยุ่งยากลําบากไปหมดเลยเสียงก็รบกวนมีอะไรรบกวนทั้งนั้นสิ่งที่จะรบกวนจึงต้องไปหาที่มันสงบสงบเมื่อไป ม, มันไม่มีทางเลือกเราจะเอาทางนี้พระพุทธเจ้ า, จาท่านก็ซ้อนซ้อนคนที่ไม่มีทางเลือกอย่างพวกเรานี่แหละ หัวมันไม่ดีฟังเทศจนตายก็ยังไม่บรรลุธรรมไม่เหมือนพระอริยะเจ้าทั้งหลายอื่นบุญมันน้อยทั้งก็ไม่มีทางเลือกท้งก็บอกว่าจะตัดโซ่พิกเวสมาธิภาวนาพิสุตตังหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดสมาฮิโตอย่าท่าผู้ตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะตามรู้ตามเห็นสิ่งต่งางๆตามที่มันเป็นจริงถ้าเห็นพระองค์เดียว ท่านสงสารมากนะท่านก็บอกว่าสมาธิพิกเวพเวทะพิกษุเธอจงเจริญสมาธิเธอเขาว่าเจริญก็แปลว่าทำให้มันมากๆสมาฮิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตของเธอตั้งมั่นแล้วก็จักตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงนั่นแสดงว่าท่านก็พยายามชี้ชวนวิ่งบอนไม่มีทางเลือกเอาอย่างนี้นะ เอตานิพิกเวอรัญญานิลุขโมลานิสัญญารานิชาญาธรมะปมาทัพทะพิทัททงห้ายโน่นโคนไม้โน่นปะไม้นโนนเรือนว่างจงไปทำความเพียรเผากิเลส่ะได้ประมาเถิดมาปัชาวิปติซาละโนอนุวัตทะ เธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเมื่อทำลายกิเลสหมดแล้วสบายแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนใจไม่ต่อสู้กับกิเลสอยู่ในก็สบายอายังโวะมหากังอนุศ a s นี i นี้แลเป็นวาจาเครื่องความตอนของเราการเจริญสมถะทำให้จิตสงบนั่นถ้าจะทำตามแบบตามแผนที่เขียนไว้ก็ยากมากเลยจะต้องตัดปริโภ o จะต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์ฟังข้อแนะนำพำร่ำสอนหลังจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัตินิสีนให้มันดีงามตั้งใจอดทนฝึกฝนปริโภพ์นีจาเป็นมากมันมีเครื่องเครื่องทวงใจริทาร์ดริทาร์ดริทาร์ผู้ท่วงตัวท่วงมันมีสิบอันนอกจากมีตัวทวงข้างหลังยังมีตัวกั้นข้างหน้าไม่ให้มันก้าวไปไกลเรียกว่านิวร ไฟหินเร์นั่นนะส่วนตัวท่วงเรียกว่าปาริโพโคตปริถานมีอะไรเป็นห่วงหมูเป็นห่วงคณะเป็นห่วงญาติพี่น้องเป็นห่วงการงานเป็นห่วงรายได้เป็นห่วงทียูอาร์ไเป็นห่วงการศึกษาเราเรียนตลอดเป็นห่วงกระทังลิบเดช ตัวสุดท้ายเมื่อทำสมาธาิไปในอีกหน่อยจิตสงบก็มีฤทธิ์มีเดชก็มาห่วงติดแงกับ ต, ตรงนั้นไม่เข้าใจสาระของมันเป้าหมายของสมาธาิคือให้จิตสงบแล้วเอาจิตชนิดนั้นไปเพ่งให้เกิดปัญญาไป concentrate through the characteristics of existence ไม่ใช่ magic and power s u p e r n o r m a l สูงตาำมันเดนอะไรต่างๆ อันนั้นมันเป็นพลผอยได้มันจะงอเงางมาแล้วถล่มมาติดตรงนี้ก็เกิดเป็นหลีดถาดอีกอันหนึง่งมันจะต้องเกิดแน่นอนเรื่องเหล่านี้เมื่อจิตเป็นสมาธิจิตมีกําลังเหมือนที่เราใช้ไฟฟ้าอยู่เดี๋ยวนี่ไฟฟ้าเนี่ยเอาไปใช้พัดลมเสียบเข้ากับพัดลมมันก็ทําให้พัดลมม้น เอาไปเสียบเข้าไดปัเป่านะมันก็ไปดูดนะ้ะเอาไปเสียบให้ตู้เย็นมันก็ทำตู้เย็นให้เย็นเอาไปเสียบกับเครื่องขยายทาให้เครื่องขายายาเายายนี่มีเสียงดังขึ้นมาเอาไปเสียบกับโทรทัศน์ทำให้โทรทัศน์เห็นภาพไกลๆอยู่กรุงเทพอยู่อเมริกาฮังเารีมเห็นไปหมดมีกำลังอันเดียวคือกำลังของไฟฟ้าเมื่อหมดเอากำลังออกก็ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้ตัวไฟฟ้านั้นเป็นสาธารณะที่จะทำให้ร้อนให้เย็นให้อะไรก็ได้ ทำให้ไม่บ้านตายก็ได้ช็อตไม่ก็ได้ทำให้สว่างสวัยก็ได้เหมือนกันกับกำลังจิตไม่ My power mentality power กำลังของจิตเนี่ยจะให้มันทำอะไรก็ได้จะทำให้มันมีกิเลสมากมากยิ่งกว่าเก่าด้วยอำนาจของจิตก็ยิ่งได้จะทำให้มันมีปัญญามากๆทํทำลายกิเลสประหารกิเลสฆ่ากิเลสก็ได้เพราะนั้น เราจะทำยังไงต้องเข้าใจเป้าหมายมันสมถะเพื่อจะเป็นกำลังแห่งจิตให้มันเกิดปัญญาหลังแกนั้นก็นไปฆ่ากิเลส killing defilement เป็นอนว่าเข้าใจเข้าใจที่นี่ก็มาสูกการกระทำเอามาดูทำอย่างไรเจริญที่พระพุทธเจ้าว่าสมาธินิมิตอันใดที่เธอกระทำไว้โดยดีศึกษาโดยดีประคองไว้โดยดีทาให้เกิดขึ้น จนจิตสงบเกิดปาโมดเกิดปีติปสัสส t h เกิดความสุขเห็นทั้งหลายตามเป็นจริงเราจะเอาอะไรก็แล้วแต่ในจำนวนกรรมฐานสี่ิบนะเป็นเรื่องที่เราจะทำให้เกิดสมถะได้ทั้งนั้นแต่เราจะต้องเปียกไปเรื่อยแต่มีกรรมฐานที่เป็นซปเปอร์สแตนดาร์ดก็คืออาณาปานสติมีสติทุกลมหายใจ และจะทําให้เป็นสมถะก็ได้ทําเป็นวิปัสสนาก็ได้ดังกล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะอันนี้หาสังยุตนิกายมหาวาระวัตทีปะโสขขีพันสามร้อยหกสิบสามเล่มที่สิบเก้าไปเปิดอ่านดูพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะอันนี้แล้วก็ยังบอกพวกเราอะหัมปิสุทังบิคเวปุเพสัมโพธาณปิสัมพุ ท, พพทธโธพทโติสโตอิมินาวิหะเลนะ สมโนยมนาวิหะเลนะอานาปานสติสมาธิฟะหุลังวิหาราโตดูก่อนที่เสื่งมลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตัดสู้เราเป็นโพธิสัตว์อยูย่เราก็เป็นอยู่ด้วยสมาธิอันประกอบด้วยลมหายใจเข้าออกนี้แหละเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันประกอบด้วยลมหายใจเข้าออกหรือวิงอ่อนเดเวิลิงกายไม่ลำบากตาไม่ลำบาก จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเพราะเหตุ น, นั้นเธอทั้งหลายปรารถนาตั้งใจจำานงหวังว่ากายเราอย่าลำบากตาเราจะไม่ลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่น attachment แล้วเธอจองกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่เลยนี่ท่านพูดอย่างนี้ อาณาปานาสติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้เมื่อเราจะทําให้มันเป็นสมถกะก็เริ่มต้นเริ่มต้น้วยการหาที่มันเหมาะเหมาะหาวัดวาอารามเหมาะเหมาะครูบาอาจารย์หมูนะ่คณะที่เหมาะสมกันคือไม่ให้มันเป็นอืมปฏิปักษต่อกันไม่ให้มันเป็นอันตรายต่อกันพวกง่ายๆ โดยเฉพาะผู้ที่ใฝ่ทางสมถะนี้อย่าพยายามทำตัวให้เด่นดังมีความรู้ทำเหมือนคนโง่เอาไว้สักก่อนเฮ้ยผมยังบอกว่ามันเหมาะที่สุดคือพวกฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องยิ่งดี <c oughs> ไม่ต้องมีใครมารบมากวนบินตาบาชั้นข่าวอิ่มก็มาเจริญสมาธิเข้าวันนา ฉันข้าวอิ่มๆก็มาเดินจงกรมให้มันย่อยอาหารเส่ให้ ด, ดีแล้วก็มานั่งสมาธิเดี๋ยวก็ง่วงง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินการทำสมาธนั้นต้องการให้กายมันลำงับแล้วจิตมันลำงับกายเป็นความสงบเป็นสมาธินั่งตัวตรงๆพยายามนั่งตัวตรงๆ มว้วนขาเข้ามาโดยรอบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอุชุงกายอย่างปณิทายะตั้งกายตรงๆนิสีสติพลังกลางคู่ขามาโดยรอบไม่ต้องเอามาคัดมัดอะไรมันดอกทับซ้ายทับขวาอะไรดอกน่ะเป็นเทคนิคนักเลงสมาธิเขาทํากันในอินเดียในพระบาลีไม่ได้บอกว่าขานั้นทับขาหนี้อย่างไงแต่เพียงได้บอกว่า ม้วนขาขูขาเข้ามาโดยรอบนั่งขัดสมาธธรรมดาเพื่อให้เลือดลมมันไหลเวียนได้ดีอย่าให้มันมันมันทับมันครึงมันมันมันเก่งให้มันปล่อยทุกส่วนของกล้ามเนื้อให้เลือดลมมันเดินสะดวกหลังจากนั้นพยายามตั้งกายตรงอย่าให้มันตัวงองอเหมือนอูดในทะเลทรายตัวงออมันเป็นสมาธิ เหมือนกันมันยิ่งสบายไม่ได้แบ่งจิตเข้าไปใช้พลังงานทางจิตอย่างไรมันก็ยิ่งเป็นสมาธิแต่ว่ามันจะหลับเท่านั้นเองเมื่อมันหลับแล้วมันก็ตัวงอคอตกคอพับต่อมาเป็นอันตรายแก่ร่างกายเป็นอันตรายแก่สุขภาพกายอันตรายต่อกระดูกสันหลังอันตรายต่อตอมลูกมากต่อมาก็เยี่ยวไม่ออก พามาก็เป็นโรคฤทธิ์สีดวงข ว, วานนี่พระพุทธเจา้าท่านรับผิดชอบไปไกลนะแม้แต่วิธีนั่งทาง่านก็สอนเพื่อจะไม่ให้เป็นโลกทางกายเพื่อจะไม่ง่วงนอนตั้งกายตรงมันจะได้แบ่งพลังงานทางจิตไปประคับประคองหลังจากนั้นก็ตั้งสติไว้เฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนแค่คอขึ้นมามีสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจ ลมหายใจนี่มีวิธีการกำหนดคือหนึ่งนับลมเรียกว่าคดนาสองตามลมเรียกว่าอนุพันธนาสามตั้งสติไว้ตรงไหนที่ลมกระทบเรียกว่าพุทธนาสี่ เอาความรู้สึกเอาสติไปตั้งไว้ตรงไหนตามใจปารธนาเมือ่อเมื่อล้อมความรู้สึกไว้ได้อย่างดีแล้วมีสมาธิพอสมควรเรียกว่าท้าปนาตั้งไว้เคยฟังให้ดีนะตรงท้าปนารู้จักตั้งนี่แหละจะแก้ปัญหาได้หลายอย่างคือเมื่อเรากําหนดดูลมหายใจตั้งสติไว้เฉพาะหน้าเมื่อมันเริ่มจะมีสมาธิเริ่มจะมีสติไม่อยากนอนแล้ว กายเริ่มลำงอแล้วมันจะมีอาการแน่นหนักหัวปวดหัวหัวเกล้าขึ้นมาล่ะที่เนี่ยบางทีจะอาเจียนบางทีปวดหัวเหมือนหัวจะแตกตายปวดในตาเหมือนตาจะหลุดออกมานี่คืออะไรนี่แหละคือการแพร่เผากันระหว่างกิเลสและคุณธรรมตรงนี้จิตใจของคุณมันก็กำลังเป็นสนามแห่งการเข่นข่ากันระหว่างกิเลส กับธรรมะสติสัมปชัญญะใครจะฆ่าใครตอนนี้มันเป็น killing fin killing fin <laughs> open your mind become to killing fin เปิดหัวใจของคุณเป็นสนามแห่งการแข่งข้าระหว่างกีลา แ, และธรรมะมันหนักหัวมันปวดหัวหัวจะแตกช่วงนี้มันกำลังเผากันลบกันอย่างหนักระหว่างสติสัมปชัญญะสมาธิ กับกองทับแห่งมารโดยเฉพาะขุนพลที่หนึ่งคือกา ม, มารมเมื่อใดคุณยังมีกา ม, มารมอย่างรุนแรงคุณเข้าใจว่ามันไม่มีแต่มันมีมันสั่งสมมาแสนแสนชาติต้องที่มันปวดหัวเนี่ยวเ ห, เหเากันละระหว่างกามกับสติสัมปชัญญะในหัวของคนเราเนี่ยเป็นสนามปฏิบัติการออฟฟิศของจิต จิตที่มันสั่งสมตัณหาอุปทานมาหลายสแสนพบหลายแสนชาติมันได้มาปฏิบัติการอยู่ในขมองของขุนเนี่ยเพราะนั้นสติสัมปชัญญะก็จะไปไล่มันออกตรงเนี้ยเราจะไปตีกันก็ปวดหัวปวดขมังขึ้นมาเขาผสมพันธุ์ปลาเขาผสมอะไรรู้ไหมตรงนี้มันผลิตอะไรต่างๆกันในเนี้ยเพราะนั้น้ามันปวดหัว คุณก็ถาปนาตั้งตั้งเอาความรู้สึกที่มันอยู่ข้างบนที่มันปวดเอามาตั้งไว้ข้างล่างถาปนาตั้งความรู้สึกไว้ส่วนล่างตรงท้องตรงสะดือที่หายใจเข้าหายใจออกมันพองขึ้นมามันยุบลงโดยไม่ต้องไปว่ายุบหนอพองหนออะไรดอกเพียงแต่ ว, ว่ารู้จักมันเข้ารู้จักมันออกอยู่ส่วนล่างไม่ต้องดูส่วนบนมันปวดวเพราะฉลียา เซนส i v e จากส่วนบนลงมาสวนส่วนล่างความปวดหว้มก็สลายไปทำไปเล่นไปบางคนยอมแพ้กวดหวัหวหัวจะแตกตายนักปฏิบัติ ท, ทาไม่รู้ก็เข้าไปหาแต่หมออยู่เรื่อยกินแต่ยาอยู่เรื่อยไม่ต้องกินยาสักเม็ดเดียวไม่ต้องไปพบใครละมันจะแก้ปัญหาของมันเองที่นี้เริ่มต้นโดยวิธีใดเมื่อมันนั่งตัวตรงสร้างสติไวเฉพาะหายใยาว อย่าขี้เกียจเป็นเด็กขาดถ้าอยากเก่งทางสมถะคุณหายใจยาวๆวเข้าหายา ว, ยาวออกลองดูก็ได้หายใจเข้าหายใจยาวติดต่อกันอยู่เนี่ยคอน t ิ n น e c o n คอน u ิ c น n t i n คอนติเนียร์เ t อรซหายใจเข้าหายใจออกยาวๆติดต่อกันไปถึงสามสิบนาทีหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันสั้นอีกสามิบนาทีนี่ง่ายขึ้นรัดสังวา ตะตาบรลีวรัษสังวาอสสั้นโตหาเจสันเข้าออกสั้นๆอีกสามติ๊นาทีหลังจากนั้นปล่อยเลยเอาแต่มันจะสั้นแล้วแต่มันจะยาวด e พีนออนเนเชอรัแล้วแต่ธรรมชาติของมันตรงนี้แหละมันจะเกิดความเป็นกลางพอดีขึ้นมายาวก็เกินไปอึดอัดเป็นทุกข์เร่าร้อนเธอไล่ไขยดสั้นก็ไม่พออยู่พอกินกับความต้องการของร่างกายก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่ง แสดงว่าสั้นก็เกินไปเกิดทุกขเวทนายาวก็เกินไปเป็นทุกขเวทนาปล่อยธรรมดาทีเนี้ยมันก็จะที่มันสั้นมันจะยาวออกไปหน่อยที่มันยาวเกินไปมันจะหดเข้ามาเกิดเป็นความพอดีมัชฌิมาสมมาตามัตตามัตตาแปลว่าพอดีสมตาสมามเสมอมัชฌิมากลางๆช่วงนี้ความสงบคุณไม่ต้องเรียกร้องหามันก็มาหาคุณเอง ร่างกายของคุณมันจะดิ้นไปทั่วทั้งกายเหมือนกับมันมีตนมีตัววิ่งไปวิ่งมาในตัวตรงนี้คุณก็รู้จักมันไว้หลังจากนั้นถ้ามันหนักข้างบนคุณก็สร้างความรู้สึกไว้ส่วนกลางส่วนล่างของร่างกายมีสติจอดูลมหายใจที่มันเข้ามันออกข้างล่างเนี่ยโดยไม่ตมอยู่ข้างบนก็ได้ถ้ามันปวดหัวหลังจากนั้นมันก็เบาลงเบาลงเบาลงร่างกายมันก็วิ่งไปวิ่งมาในช่วงนี้ก็จะสแสดง ลักษณะของปีติอาจจะเกิดตัวโยกตัวครนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวสูงตัวเตีย้ยน้ําตาอาจจะไหลออกมาขนอาจจะลุกสู้ซ่าขึ้นมาหรือถ้าคนไม่ปวดหัวคุณดูที่ลมหายใจเข้าออกที่มันสัมผัสต ร, ตรงจมูกคุณอาจจะรู้สึกอาการเย็นเย็นค่อยค่อยเย็นขึ้นสมองนี่มันจะเกิดภาวะที่เรียกว่ารสชาของสมาธิลมเกิดขึ้น ถ้ามันไม่ง่วงนอนเสียก่อนมันง่วงนอนบางทีสมาธิมันมีขึ้นมันเข้าไปภายในง่วงถ้ามันง่วงคุณก็ตั้งตัวตรงหายใจยาวๆใหม่เลิมตาขึ้นหลังจากนั้นก็ตั้งใหม่สร้างสติไว้ส่วนบนถ้ามันง่วงคุณสร้างสติไว้ส่วนบนก็แล้วกันแค่คอขึ้นมามีความรู้สึกไว้แค่คอเฉพาะหน้าถ้ามันปวดหัวคุณสร้างสติไว้ส่วนล่างลาักษณะเช่นเนี้ย เมื่อคุณอยู่ส่วนล่างมันเบาลงเบาลงเบาลงมันดิ่นไปดิ่นมาร่างกายที่มันเคยล้อมก็เย็นลงเย็นลงเมื่อทําลมหายใจตามธรรมดามั้งหลังจากนั้นความคิดก็สงบลงเง็บลงมันดิ่นไปตามกายมันเป็นตัวเป็น ต, ว น, ต, ว น, ตวนวิ่งเดี๋ยวมันก็สงบลงหลังจากนั้นลมหายใจคนก็หมดไปแล้วไม่ใชงหมดคุณไม่ต้องกลัวหรือมิฉะนั้นคุณจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงข้างหูซ้ายต่อมาก็หูขวาเสียงไม่ใช่เสียงอะไรนะ เสียงมันลมออกในหูเสียงมันอหัวใจเต้นนั่นมันคลื่นสมองคลื่นหัวใจอะไรต่างๆการทํางานของกายที่ผสมกันอยู่ด้วยท่าสี่เหมือนโรงงานคุณจะได้ยินเมื่อคุณมีสติจ่อฟังเสียงนี่คุณค่อยๆปล่อยความรู้สึกจากลมหายใจเอาเสียงนี่มาเป็น subject meditation เป็น object meditation ได้หลังจากนั้นเสียงที่คุณได้ยินนี่มันจะเริ่ม ดังขึ้นดังขึ้นแล้วค่อยสงบลงเสียงต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณมีสมาธิมากกว่าแปลรูปแปลรูปเป็นเสียงผู้เสียงคนเสียงสวดมนต์ในป่าในเขาคุณได้ยินของคุณเองหลังจากนั้นก็จะมีเสียงอีกอันหนึ่งแทรกซ้อนขึ้นมาเรียกว่าเสียงในเสียงเสียงที่นิ่มนวลลึกๆดังแทรกขึ้นมาคุณจะตื่นพลงไม่อยากหลับอยากนอนหลังจากนั้นเสียงนี้เหมือนจะดูดคุณลอยล่องกันไปสู่ห้วงแห่ง สุริยะจักรวาลอันไพศาลเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึง่งโอ้มันมหศัศจรรย์สนุกสนานเพลิดเพลินไปเลยนี่ลองทําไปอย่าขี้เกียจนะ่ะอย่าไปหวังผลวันหนึ่งสองวันกี่ปีกี่ชาติสังหัวมันบุญญาบารยาบารมีของเรายังไม่แก่กล้าการทำของคุณไปอย่างนี้เรื่อยๆขี้เกียจก็ทําขยันก็ทำนี่อย่างนี้วิธีทางแห่งสมถะเป็นอย่างนี้บางทีเริ่มเห็นแสงเอา้าเอา้าหูไม่ได้ยินแต่เห็น ในตามันเป็นเหมือนปุยเมฆเปื้อนปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ําไหลไปไหลไปไหลไปไม่ใช่อันเดียวขาโพนบางทีอาจจะเปลี่ยนพลสีเป็นสีม่วงสีเขียวบางทีเหมือนปุยเมฆบางทีเหมือนตะวันกําลังขึ้นอยู่ไกล้ๆเหมือนดวงจันทร์กำลังขึ้น น, น, น, น, นั่นแหละ คุณปล่อยลมหายใจเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกว่าอุกอาจในมิตนั้นพยายามสร้างมโนภาพ make imagine ใหม่ทับลงไปดึงมันเข้ามาใกล้ผลักมันออกไปไกลๆทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่ให้มันใกล้มันไกลสักพักหนึ่งคุณจะเป็นวุ่าวาเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำอย่าตกใจดูมันไปสร้างมโนภาพทับสิ่งเหล่านี้ดึงมันมาผลักมันออกไปสร้างให้มันเล็กมันใหญ่พลิกไปพลิกมาเสพปฏิภาณนิมิต สักพักหนึ่งมันจะพลุบจิตของคนดับลงไปในนั้นพลบเรียกว่าผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูมันไปรวมเป็นอันเดียวกันเอกลางระมณังจิตต่างจิตอันเอกจิตอันเดียวไปสู่ทางอันเดียวหลังจากนั้นก็เอกาที่พาโปจิตอันเอกก็พดขึ้นช่วงนี้ถ้ามันพลุบลงไปคุณจะรู้จักเองว่ามันคืออะไร สงบแฟนจะสงบเรียกว่าปัญญาสมาธิการเจริญสมาธิของคุณก็สาเร็จแล้วสมถาะาเบื้องต้นดิมดำตรงนั้นไม่ได้คิดออกไปข้างนอกแต่มันตื่นอยู่ภายในสงบประงับเบาเย็ดไม่อยากพูดอยากจ้าไม่อยากคุยกับใครนี่มันเกิดอาการนั่งเกิดในขณะที่นั่งมันเป็นอาการดิโกของมันหรือบางทีคุณกาลังเดินจงกลมหนักเหนื่อยเมื่อื่นคุณเดินไปเดินมา บางทีมันจะวาบขึ้นมาสงกพึบลงไปสว่างวาบขึ้นมาคนก็เย็นแสนจะเย็นเบาแสนจะเจะบาคิดวันเดินตลอดตายก็ได้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้ในช่วงนี้นี่ภาวะแห่งฌานจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันเดียวพูดภาษาชาวบ้านภาษาวิชาการว่าเข้าฌานเมื่อมันมีเข้ามันก็มีออกถ้ามันไม่มีเข้ามันก็ไม่มีออกเทนี้ เมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันคลายออกมาเราก็จะเอิบอิ่มเสียดายแล้วมันอาจจะหายไปเป็นเดือนเป็นปีเพราะความตื่นเต้นในสิ่งที่มันเคยพบเคยเห็นจิตมันก็เคลื่อนสมาธิมันเคลื่อนก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อสักบาทก็มาทําใหม่ถ้าคุณพบความสงบอย่างนี้คุณจะมีความสุขมากแล้วคุณจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครบาอาจารย์คิดถึงสัตนา คุณจะรักประพุทธประธรประสงค์คุณจะหมดความสงสัยว่าพุทธเจ้ า, จามีหรือไม่คนที่สอนเราให้ทําอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้เราได้ทํามาได้พบอย่างนี้คนนั้นคือพระพุทธเจ้ า, จาเราทําเพียงแค่นี้อย่างเห็นเพียงแค่นี้ถ้าเราจะทําไปอีกมากๆก็จะเพ็นมากๆอย่างที่ท่านสอนความสงสัยมันหมดสิ้นไปสิ่งที่มันปรากฏขึ้นให้เห็นเนี่ยนี่ยังเป็นสมถะ ธ, ธรรมดานะ หลังจากนั้นถ้าคุณทําได้บ่อยๆข้าวคุณก็เกิดความชํานาญเป็นเจโตวะสีคุณไม่ต้องไปเพ่ ง, พงอะไรเลยละวิตกวิจารณ์ไปต้องดูลมอยากแกเห็นสิ่งเหล่านี้น้อมจิตเข้าไปก็ป๊กเข้าไปปลดลงไปทีละอันทีละอันความสุขความปีติตื่นเต้นเอิบอิ่มก็ปลอดออกไปอย่างเนี้ยมันได้ชาญหนึ่งก็เป็นสองสาม ส, ามสี่ห้ามันฉลาดของมันเองแหละ ไปถึงชานที่สี่ภาษาพิธรเกามีถึงห้าเราเอาแค่สี่ตามพระพุทธเจ้าพูดมีแต่อุเบกขาสติลุล้ ว, ลวนง่ายอยากจะเข้าปึ๊ ก, กเข้าไปออกมาปึก๊กถ้าทำได้อย่างนี้ฤทธเดชก็อยู่ในกำมือไม่ได้หายไปไหนอยากจะเป็นอะไรที่เนี่ยเพียงแต่คุณรู้จักใช้มันเท่านั้นเองสมถะมันก็โลดผลมากมายกายกองเลยทีเดียวเมื่อทาได้ถึงขั้นนี้ไม่ต้องบอกต้องสอนกันดอก มันจะไปของมันเองเลยหนทางของมันคอยจะบอกกันอย่างเดียวว่ามันจะหลงคือพอใจตรงนี้มันก็เลยเป็นปริพภ์เป็นตัวทวงความเจริญทางจิตอิทธิปริพภคทางเป็นห่วงความสำเร็จกลัวจะมันหายไปฤทธเดชพวกอภพินยาอะิญญ า, ญญาสิ่งที่มันเนื้อมนุษย์ธรรมดาไม่เคยมีมันก็จะเกิดขึ้นภาษาพระภาษาบาลีเรียก ว, ว่าอภพินญาอภิญญา Super Knowledge หรือว่า under inside. อุนดาคอ i s ิ i อินไซน์เราจะพูดอีกสับหนึ่งก็พูดกันว่า Super มันเด่น Super e ์ t อ็นเอ็กตเอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นหูทิฟตาทิฟกำหนดรู้จักกิจจักยของผู้อื่นมันเริ่มทำได้ทีละอันละอันละอันละอัน มันอาศัยพื้นฐานของมันก็คือฌานที่สีเมื่อจิตบริสุทธิ์มีสติอเุเบกขาบริสุทธิ์อยู่สติคือคือคื อ, คอรู้จักจ้องดูรู้อยู่ตามานมีอำนาจในจิตสยังวะสีมีอำนาจในตนจะเข้าสมาธิดียวนี้ออกเดี๋ยวนี้ก็ได้อย่างเนี้ยแต่นี่หนทางแห่งสมถะมันก็เป็นอย่างนี้ใช้ความภาคเพียนพยายามความอดความทนมากมันมันเพียกกันกับวิปัสสนา บางทีบางทียังมีอีกทางทางที่เป็นธรรมชาติอย่างเราไปอยู่บนภูเขาที่มีเทวทัตป่าดงพงไพรแม่น้าลำธานเพียงแต่เรามองสิ่งเหล่านั้นบนยอดเขามองหเห็นภาพป่าดงพงไพรแม่นาม้าภูเขามองดีๆแล้วก็หลับตาน้อมจิตให้เห็นภาพเหล่านั้นชัดเจนนี่มันเริ่มมีสมาธิอย่างนี้เอาเทวทั์ทเหล่านี้เบสไอวิวเหล่านี้แหละ เอามาเป็น subject meditation โดยไม่ต้องดูลมหายใจโดยไม่ต้องดูอะไรเลยก็ได้คืออยู่ไกลห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่างอื่นเพีงที่จะคอยกระทบรบกวนผู้ที่ชอบสมาธิมันจะต้องหาสภาพแวดล้อมที่เอื อ, อันนวยภูเขาป่าไม้แม่น้ำ ท้องฟ้าปากเขาไม่มีผู้คนมารบกวนขึ้นไปนั่งมองให้มันเต็มตาประทับเน่นอยู่ในความรู้สึกจนมันกลายเป็น perception ขึ้นมาหลังจากนั้นก็หลับตาเพ่งภายในให้เห็นภาพเหล่านั้นเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นก็ทำให้มันแจ่มขึ้นให้มันแจ่มไสชัดเจนขึ้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไป เหมือนรีโมทคอนโทรลกองโทรทัศน์ทําให้มันเล็กให้มันใหญ่ให้มันใกล้ให้มันไก ล, มกลไม่นานเมื่อทําได้แบบว่าเขาจิตก็จะพลบเข้าไปสู่าอารมณ์อันนั้นเป็นอันเดียวแม่นิ่งอยู่ตรงนั้นออกมาอยากให้เป็นอีกก็ระลึกเพียงพละลึกถึงภาพอันนั้นก็ปึ๊บเข้าไปนั่นมันเก่งแล้วไม่มีวิตกวิจารณ์ปอดออกไปแล้วมันก็เป็นชาตที่สอง ต่อมาช้ำน้ำเข้าไปก่อนนั่นเองที่ต ว, วิจารณไม่มีปีติไม่มีมีแต่ความสุขอันบริสุทธิ์อยู่ในใจทันทีเมื่ออยากให้มันเป็นกั็ปึ๊กเข้าไปในนั้นทันทีอย่างนี้เป็นที่พักผ่อนอารมณ์เป็นความสุขที่ได้พบได้เห็นยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังสามารถหลบเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ปึ๊กเข้าไปนี่ มันมีทางเพราะฉะนั้นลือศีสมัยโบราณพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาทําได้สิ่งเหล่านี้เขาทําได้แล้วหู้ทิพตาทิพมีฤทธมีเดชพิจรู้จักจิตรู้จักใจคนอื่นอ่านใจคนอื่นได้และลึกชาติคนลังได้เขาทําได้ทั้งนั้นในสมัยโบราณแต่เขาทําไม่ได้อันเดียวคืออาสวัคคายายน knowledge of The e x o r c i o n s of all men in Tosco เขา cannot do it เขาทำไม่ได้โน้นแล้วก็ทำได้หมดเพราะสมถะเนี่ยมันส่งไปถึงอภิญญาห้าคือหูทิพตาทิพสแดงลิกอ่านจิตอ่านใจคนอื่นได้และลึกชาตหนหกลังได้เรื่อง ล, ลึกชาตหนหลังได้นี่ก็น่าคิดเหมือนกันว่า<ม>เพียงแต่เราทำจิตให้สงบลงไปนิด